สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสมิงทิดจอ้อยเมื่อหกสิบปีมาแล้วณบ้านหัวชวดตำบลหนองบัวอําเภอบ้านไข่จังหวัดระยองแดดร้อนปเปลี้ยงอากาศอบอ้าวปลายเดือนมีนาแผดเผาท้องนาและป่าดงซึ่งมีอยู่สลับกันในหมู่บ้านขนาดกลางเกาะไม้ประจาหมู่บ้าน ถูกตีอย่างหนักหน่วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าติดต่อกันยาวนานราวกับว่าไม่ยอมหยุดสัญญาณ น, นี้เป็นอันรู้ว่าอันตรายเพศภัยในหมู่บ้านได้เกิดขึ้นแล้วทำไมไอเสือเข้าปล้นบ้านทิดจ้อยลูกเขยผู้ใหญ่บ้านก็ไอโจรกระจอกงัดข้อขวายลูกบ้านเอาไปกินเป็นแน่ผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวลูกเด็กเล็กแดง ต่างดุ่มเดินอย่างรีบเร่งมุ่งตรงไปที่ลานบ้านผู้ใหญ่แดดในตอนสายเกือบเที่ยงธรรมบุคคลที่นั่งออกันอยู่ที่ลานเหงื่อไหลครย้อยไปตามๆกันยาฉุนหลายมวลถูกอัด ท, ทีสลับกับการปาดเหงื่อบนหน้าผากของผู้ใหญ่บ้านที่ตัวโตวเหมือนหมีควายแกยืนหันซ้ายหันขวายอยู่ต่อหน้าลุกบ้านที่นั่งกันเต็มลานเด็กเล็ก หยุดกอดปล้ำคลุกฝุ่นนั่งลงอย่างสงบข้างๆพ่อแม่เสียงผู้ใหญ่ประกาศลั่นได้ยินไปทั่วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีเสียงพึมพำอย่างตกใจกระสรับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัดในหมู่ลูกบ้านวันนี้หมูในเล้าของไอ้เกิดถูกกัดตายเกลี้ยง่าดว่าไอ้เสือตัวเดิมเพราะจากร่องรอยของมันเท่าที่สังเกต มันเป็นรอยเสือใหญ่มีเสือตัวเดียวเท่านั้นที่เข้ามากินเป็ดไก่ของเราในหมู่บ้านเสมอไอหน้าบากแน่ตั้งแต่ไอขามยิ่งมันเจ็บไอคราวนั้นแกหยุดพูดกลืนน้ำลายหันหน้าไปทางเจ้าคนที่ถูกกล่าวถึงซึ่งน่งกรมหน้านิ่งประหนึ่งยอมรับในความแล้วแกพูดต่อมันไม่ใช่ความผิดของมันหรอก ที่ทำให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ลูกสาวมันถูกเสือกัดตายในป่ามันก็ตามล่าจะทำยังไงได้เอาล่ะช่างมันเถอะครั้งนี้เป็นโอกาสของเราที่มันเข้ามาถึงหมู่บ้านเราจะต้องล่ามันเสียงห้าวทุ้มสำมทับเป็นครั้งสุดท้ายเสียงนี้สร้างความอบอุ่นให้ลูกบ้านเสมอมาสายวันนั้น ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยหนุ่มชะการห้าคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพลานป่ามาโดยกําเนิดรีบรุดไปที่บ้านในเกิดต่างกระวนกระวายร้อนรุ่มวี่แววของความกังวลใจส่งให้เห็นบนใบหน้าเขาไม่ได้กลัวเสือพรานล่าสัตว์ไม่เคยกลัวเสือแต่ทุกคนก็ระมัดระวังไม่ประมาทและเขาก็ไม่เคยมีสีหน้าหวาดวันจนเห็นได้ชัดเหมือนครั้งนี้ ทุกคนรู้ดีว่าเขาไม่ได้มาตามไล่หน้าบากมันเป็นเสือที่สาบสูญนานเกินไปสี่ครั้งแล้วที่เสือเขามารังควานหนุ่มทั้งห้าคนนี้เป็นพลานชุดเดิมที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกใช้และทุกครั้งผู้ใหญ่กำชับหนักหนาว่าไม่ให้แพร่งพลายสิ่งที่พบเห็นแก่คนในหมู่บ้านแม้แต่พ่อแม่หรือลูกเมียตัวเอง แกรู้ดีว่ามันจะสร้างสิ่งตนกตกใจจนชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินกันในเมื่อพลานมือดีที่สุดในหมู่บ้านไม่สามารถกำราบเสือได้แถมเสือตัวนี้มีลักษณะประหลาดจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเป็นเสือชนิดใดกันแน่ที่เล้าหมูใต้ถุนบ้านในเกิดรอยเสือใหญ่ย่ำสับสนไปทั่ว และก็พอสังเกตได้จากซากหมูสัตว์ซึ่งถูกกัดตายตั้งแต่เมื่อคืนนอนระเกะระกะท่งกินคล้าวคลุ้งเป็นเลือดลิ่มๆกองอยู่ทั่วไปด้านหลังเล้าหมูมีรอยเท้าขนาดใหญ่ของเสือให้เห็นได้อย่างชัดเจนมันตรงเข้ามาจากหลังบ้านจัดการฟัดหมูในเล้าแล้วเห็นออกทางหน้าบ้านอย่างอาหารร่องรอยมันกระจะตาเหมือนแกล้ง ไม่มีรอยของมันที่ด้านข้างของคอกนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้วนสำรวจรอบนอกผิดกับเสือธรรมดาทั่วไปที่ก่อนจะล่าเหยื่อมันต้องวนสำรวจอย่างน้อยก็รอบๆ บ, บ้านต้องมีรอยบ้างไม่มากก็ น, น้อยทิดจ้อยมองตามรอยของมันจากหน้าบ้านหายเข้าไปในดงไม้ข้างหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนเดิมเปียบดูสิ ว่าพลางชี้มือให้พักพวกและผู้ใหญ่ดูเห็นไหมไม่ใช่ใครอื่นหรอกเห้ตัวเดิมแน่รอยเท้าหน้าปัดเฉยๆหน่อยกดพื้นเบาวกว่ารอยหลังมากผิดจากเสือธรรมดาที่สว่าปามเครื่องในหมูจนท้องกลางมันต้องเดินธรรมดาไม่ใช่ก้าวกระโดดอย่างนี้มันเดินด้วยขาหลังเป็นหลักเสียงใครคนหนึ่งสนับสนุนผู้ใหญ่พยักหน้าเออ หัวคิ้วทั้งสองข้างขงมวดเข้าหากันเหงือเม็ดโปง้งไหลย้อยอาบหน้าเป็นทางแกยกฝ่ามืออันหยาบหนาลูปหน้าอย่างช้าๆสมองของพ่อผู้ใหญ่กําลังสับสนเรื่องรามันปนไปกันยนยแลําดับแทบไม่ถูกยาเส้นในกระเป๋าถูกล้วงขึ้นมาพร้อมกับใบจา่าค่อยๆมวนบุหรี่อย่างช้าๆวูบ ห, หนึ่ง ดวงตาของแกก็เบิกโพรงรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ใบหน้าเหตุการณ์ต่างๆถูกเรียงลำดับอย่างรวดเร็วในสมองของแกเมื่อต้นปีที่แล้วชายแก่คนหนึ่งได้เข้ามาพักพิงในหมู่บ้านว่ากันว่าแกเป็นอาจารย์ส่ยเวทจากเขมรไม่มีใครรู้ความเป็นมาของแกมากนะักแต่ชั่วระยะเวลาไม่นานแกก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้าน พ่อไอ้อำกับไปมาตามรอยมันไปแล้วมันเลี้ยวเข้าไปในเขตรั้วของอาจารย์ทิดจ้อยลูกเขยคนเดียวของพ่อผู้ใหญ่รายงานด้วยน้ำเสียงที่แสดงความหวั่นวิตกอย่างเห็นได้ชัดทิดจ้อยเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ระเบือเช่นกันมันเป็นเรื่องหนักใจอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะแม้แต่ตัวผู้ใหญ่เองก็คุ้นเคยสนิทสนมกับอาจารย์ผู้นี้ดีโดยบ้านของแก อยู่ทัดหลังบ้านของพ่อผู้ใหญ่ไปเล็กน้อยเชิงเงื้อมองข้ามสวนกล้วยหลังบ้านก็มองเห็นหลังคาแล้วแต่เหตุการณ์มันบ่งชัดเหลือเกินสี่ครั้งที่พ่อผู้ใหญ่เป็นคนนำลูกบ้านตามรอยเสือตัวนี้รอยเสือมันวกเข้าไปในเขตบ้านอาจารย์ระเบือทุกครั้งหากแต่เมื่อแกเข้าไปถึงบ้านอาจารย์ก็ไม่พบวีแววใดๆสอว่าแกจะเป็นต้นเหตุ กลับได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยสีหน้าและท่าทางปกติพิรุษสักน้อยก็ไม่มีร่าร่าจะพูดมาตรงตรงก็หลายครั้งแต่ก็อดกระดักใจต่อดวงตาซื่อซื่อคู่นั้นไม่ได้ทุกอย่างจะต้องถูกจัดการให้สิ้นสุดโดยเร็วผู้ใหญ่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่เห็นแก่ใครหน้าไหนทั้งสิ้นคิดพลางเรียกเหล่าพลานทั้งหมดเข้ามาหา เอาละเรื่องจะต้องยุติเสียงที่ผ่านฟันที่ขบกันแน่นหาวเครียดแกะรอยนั้นพักไว้แค่นี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพวกเองทุกคนกลับบ้านได้กลับไปบอกพี่น้องทุกคนของเราให้เราแวดระวังตั้งเวรอยู่ยามบ้านของตัวเองทุกคนนับแต่วันนี้ไปสามวันเราจะได้ถลกหนังเสือกันฮ สามวันคงทำให้มันไส้กิ๋วหน้ามืดแล้วทุกคนพยักหน้าแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อวันสำคัญมาถึงลูกบ้านได้ถูกกำชับให้อยู่แต่ในบ้านเตรียมปืนผาหน้าไม้ไว้รับมือกับเสือให้แข็งแรงบ้านทุกหลังได้รับคำสั่งเช่นนี้ยกเว้นบ้านอาจารย์ระบือคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องแกอยู่ตัวคนเดียว สันโดดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจรึงง่ายที่จะปิดข่าวสำคัญหมูอ้วนตัวเครืองของพ่อผู้ใหญ่ถูกจูงเข้าไปมัดอยู่ริมรั้วบ้านอาจารย์ระบืออย่างเงียบเชียบท่ามกลางแสงจันทร์สลัวๆพลานสามคนถูกวางตัวไว้หน้าบ้านสามจุดต่างได้รับคำสั่งอย่างเคร่งคลัดให้ยิงเมื่อเห็นเสือเท่านั้นส่วนพ่อผู้ใหญ่และไอ้อา เป็นกองหนุนเตรียมช่วยด้านใดด้านหนึ่งที่เพียงพล้ำทิดจ้อยอยู่หลังคอยระวังไอ้ลายจะตลบเข้าเล่นงานคนแทนที่จะเข้าไปกินเหยื่อแผนการทุกอย่างวางไว้อย่างรัดกุมเหลือเพียงการรอคอยเท่านั้นปืนคาบศิลาทุกกระบอกเบนตรงไปยังจุดที่มัดเหยื่อล่ออากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆแสงจันทที่ริบรีอ ย, อยู่เมื่อตอนหัวค่ำ สว่างนวลขึ้นตามลำดับความเงียบปกคลุมทั่วทั้งบริเวณนานๆครั้งจึงมีเสียงของหมูเคาะร้ายสะบัดร้องเพราะถูกน้ำค้างอันเย็นยเยือกเโลวมเข้าให้เวลาผ่านไปล่วงเข้ายามสองดวงตาของพลานด่านหน้าทั้งสามก็เบิกโพรงเมื่อหมูเคาะร้ายดิ้นสะบัดริ้วอย่างแรงเสียงของมันดังก้องไปในความมืดรอบด้านเป็นสัญชตาตญาณ เอาตัวรอดจากมหาภัยของมันนั่นเองนิ้วในโลงไกลชื้นเหงื่อหัวใจของพลานทั้งสามเต้นรัวราวกับจะดิ้นหลุดทะลักออกมากองข้างนอกเงามืดของอะไรสักอย่างวูบออกมาจากประตูกระท่อมของอาจารย์ระเบือช้าๆแล้วมันก็ปรากฏ ก, กายเคียงข้างหมูเคาะร้ายร่างนั้นยืนเก้กเกัลงๆงอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้น เมฆดำกลุ่มหนึ่งก็เคลื่อนตัวเข้าบทบังแสงจันเงามืดครอบกลุ่มทั่วทั้งบริเวณนั้นรวมทั้งเงาประหลาดและหมูเคาะายตัวนั้นด้วยเสียงปืนดังขึ้นสะเทือนไปทั้งราป่าร่วมพร้อมกับแสงจันที่สาดส่องเข้ากระทบร่างของอาจารย์ระบือซึ่งยืนทำ ง, งานอยู่ข้างๆอย่างชัดเจนพลานทั้ง3ตกใจตัวแข่งท่อในบรรดล แล้วก็เปลี่ยนเป็นอาการภาระวะผวงงงงันทำอะไรไม่ถูกเสียงปืนไม่ใช่ของใครในสามคนแน่ไม่มีใครยิงโดยที่ไม่เห็นเป้าชัดเจนปืนคาบศิลานั้นยิงได้ทีละนัดหากเป็นเสือยิงไม่ถูกที่ตายพลานเองก็คงถูกตะปบสวนควันปืนก่อนจะทันบรรจุกระสุนดินดำใหม่อีกอย่างร่างที่ยังยืนอยู่เด่นชัดนั้นเป็นคน ไม่ใช่เสือไม่มีใครอยากขัดคําสั่งพ่อผู้ใหญ่และสิ่งสุดท้ายเสียงปืนมันดังขึ้นข้างหลังเขาทั้งสามคนเฮ้ยหมูใครวะหลงมาติดอยู่รั้วบ้านข้าเสียงอาจารย์ระเบือดังกล้องทำลายความเงียบพลานทั้งสามงันงกออกมาจากดาวป่าเหมือนนัดกันไวหมูเองหรือเจออะไรเข้าล่ะยิงเปลี้ยงปลางไม่ดูตามาตาเรือ พอเดียวก็โดนพวกเดียวกันตายหรอกแกว่าต่อพรานทั้งสามยืนถือปืนงงพูดไม่ออกแต่เอข่าว่าข้าได้ยินมันดังมาทางท้ายบ้านพ่อผู้ใหญ่นะทำไมพวกเองโผล่กันมาไวจังวะจริงสินะพ่อผู้ใหญ่ไปไหนทั้งสามคนมองหน้ากันเราไปดูพ่อผู้ใหญ่ที่บ้านแกเถอะใครคนหนึ่งพูดหลังจากพูดกันสองสามคำ ทั้งสี่คนรวมทั้งอาจารย์ระบือด้วยก็รีบจำไปที่บ้านผู้ใหญ่ทันทีที่กอกล้วยหลังบ้านพ่อผู้ใหญ่นั่นเองกลุ่มคนนับสิบกำลังยืนล้อมมุงดูเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งสินริษนอนยาวเหยียดอยู่กลางดงกล้วยขี้ใต้และคบเพลิงจากหลาย10บมือส่องสว่างไปทั่วพ่อผู้ใหญ่ยืนนิ่งอยู่ข้างซากเสือ น้ำตาของแกไหลอาบแก้มเสือลายผาดกรนขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า8ศอกนอนอยู่เบื้องหน้าผู้มาใหม่ทั้งสี่คนพอมองเห็นถนาดเท่านั้นทั้งหมดก็อุทานขึ้นอย่างตกใจสุดขีดทิศจ้อยร่างของเสือตัวใหญ่นั้นมีหัวหูเป็นมนุษย์ครบถ้วนและมันเป็นใบหน้าของทิศจ้อยนั่นเองเสียงของผู้ใหญ่แหบพลา ทอแท้ข้ารู้มานานแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่มันกัดอิสไบลูกไอข้ขามตายไอ้ขามมาเล่าให้ข้าฟังแต่ข้าก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะข้ารักและไว้ใจไอ้จ้อยมากเกินไปข้าจึงไม่กล้าตัดสินอะไรเด็ดขาดจนมาครั้งสุดท้ายข้าจับพิรุษมันได้มันลืมตัวกบรอยของมันตอนขึ้นบ้าน ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นรอยของคนแท้ๆมันตั้งใจทำลายหลักฐานมากเกินไปแม้กระทั่งอยู่ในบ้านของตัวเองเสียงของแกขาดหายกล่ำกลืนก้อนแข็งๆที่จุกคอหอยมาวันนี้ข้าจึงวางแผนให้จ้อยเป็นคนระวังหลังพวกเองคงไม่เฉลียวใจว่าทำไมในเมื่อข้าบอกเองว่าข้าสงสัยว่าอาจารย์ระบือจะเป็นเสือซึ่งต้องเข้ามาด้านหน้า แล้วกลับให้ไอาจ้อยไปอยู่ด้านหลังแต่ข้าก็ต้องเสี่ยงถ้าใครคนใดคนหนึ่งคัดค้านไอาจ้อยรู้ตัวแผนข้าก็พังข้ากับไอ้อำย้อนกลับมาซุ่มอยู่ดงกล้วยพราะรู้ดีว่ามีบ้านข้าเพียงหลังเดียวที่เล้าหมูไม่มียามซึ่งไอาจ้อยมันก็รู้ดีพอๆกับข้ามันหิวมันจึงต้องย้อนกลับมากินหมูในเล้าของตัวเอง ไอ้จ้อยมันฉลาดป้ายความผิดให้อาจารย์ของมันว่าพลางหันไปมองอาจารย์ระบือซึ่งยืนอยู่ข้างๆน้ำตาลูกผู้ชายของพ่อผู้ใหญ่ยังไหลรินไม่ขาดสายแกรักทิดจ้อยมากเพราะแกมีลูกเขยคนเดียวที่พอจะฝากผีฝากไข้า ย, ยามแก่เท่าลงไปหลายคนมองพ่อผู้ใหญ่อย่างเวทนาจับใจ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ